กระชับนะแต่ว่ากินความหมายครบถ้วนของชีวิตที่ดีในพุทธศาสนาสงบเย็นในที่นี้หมายถึงสงบเย็นในจิตใจนะมันมีความหมายทั้งสงบเย็นแบบธรรมดาธรรมดาใจสบายไม่รุ่มร้อนอย่างที่เราอาจจะสัมผัสได้ หรือว่าสงบเย็นอย่างลึกซึ้งนะถึงขั้นพระนิพพานก็ได้พระนิพพานก็แปลว่าสงบเย็นอยู่แล้วลทีนี้สงบเย็นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของด้านในภาวะที่พึงประสงค์นะในส่วนด้านไในส่วนเป็นประโยชน์เนี่ยนะก็หมายถึงาการ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 แต่นักปฏิบัติธรรมหรือว่าชาวู้จำนวนมากก็มุ่งความสงบเย็นนะจนกระทั่งลืมประโยชน์ท่านนะก็คือว่ามุ่งแต่ปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกส่วนตัวนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยเหลือเอื้อเฟือเ้อเกื้อกูลผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นชีวิตที่ดีแบบครึ่งๆึงกลางๆเหมือนกันถ้าจะให้ดีพร้อมเนะี่ยก็นี่แหละสงบเย็นด้วยข้างใน ขณะเดียวกันก็มีการกระทําที่เอื้อเฟื้อเกอื้อกูลผู้อื่นเกิดประโยชน์ขึ้นนะกับส่วนรวมถ้าดูให้ดีเนี่ยมันก็ทั้งสงบเย็นและเป็นประโยชน์ก็จะครอบคลุมทั้งปัญญาและกรุณาซึ่งเป็นองค์คุณสําคัญของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็มีองคคุณหรือพทุทธคนอยู่สําคัญสองประการนะปัญญากับกรุณา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 ผ่านที่ชีวิตที่ผ่านมานี่เราสงบเย็นเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เราได้ทําประโยชน์ให้งอกเงยแก่เพื่อนมนุษย์บ้างหรือเปล่าหรือว่าเพิ่มขึ้นมากมายเพียงใดนะถ้าเราเข้าใจเรื่องสงบเย็นเป็นประโยชน์นะก็จะเข้าใจที่ท่านอาจาพูท่าพูดว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมการทํางานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทําไปเพื่อ ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นอันนี้ก็ดีอยู่นะแต่ว่าถ้าหากว่าเราทำให้การทำงานเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยนะมันก็สามารถจะเกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนการปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่าการฝึกจิตนะการวางจิตวางใจหรือการใช้งานเนี่ยเป็นเครื่องฝึกพัฒนาจิตใจเวลาทำงานเนี่ยนะ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 จริสติไปในตัวนะทําครัวก็เจริญสติไปนะทำงานจะขับรถหรือว่าใช้สมองใช้ความคิดก็เจริญสติไปด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าใจก็เป็นสมาธิแล้วเกิดความสงบขึ้นมานะและสมาธิรวมทั้งสตินะที่เรามาใช้ในการกํากับจิต มันก็มีส่งผลทำให้งานนั้นเนี่ยออกมาดีด้วยนะเพราะว่าถ้าทำงานไม่มีสมาธิทำงานไม่มีสตินะมันก็เหมือนกับรถที่ไม่มีกำลังนะลวแถ่นพวงมาลัยก็ไม่ดีด้วยมันก็ไปถึงที่หมายได้ยากนะบางทีก็จอดนิ่งอยู่ริมทางหรือแม่ก็แหกโค้งนะลงครูก็มีนะ จะไปถึงที่หมายได้เนี่ยรถก็ต้องมีทั้งพวงมลาลัยที่ดีมีเบรกแล้วก็มีกำลังนะเมื่อเราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานอย่างมีสติจนกระทั่งเกิดสมาธินะปัญญามันก็ออกมาได้อย่างเต็มที่ก็ทำให้เราสามารถจะทำงานให้เกิดความสำเร็จได้ส่วนคนทำคือเรานะก็เป็นสุขนะ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 หรือว่าเพราะว่าเป็นของกูถึงทําถ้าไม่ใช่ของกูก็ไม่ทําอันนี้ก็ไม่ใช่เคยมีนะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันเคยมีคนแอบเข้ามาตัดสมุนไพรในวัดก็มีคนไปบอกตามาพอตามารู้ก็ก็เรียกพระเนี่ยไปช่วยกันเข้าไปในป่าเพื่อไล่คนที่เข้ามาตัดไม่ได้คิดจะทําอะไรเขานะ เพียงแค่เขาเห็นว่ามีพระมาอามาตามหานี่เขาก็เลิกตัดสมุนไพรแล้วเขาคงหนีไปตอนนั้นสมัยนั้นพระก็ยังไม่มากก็มีพระรูปนึงท่านนะไม่ได้สนใจจะไปช่วยท่านก็ให้เหผลว่าปล่อยวางแล้วนะปล่อยวางคือว่าวัวันนี้ก็ไม่ใช่ของเราป่าก็ไม่ใช่ของเราจริงๆท่าน วางใจผิดนะหรือว่ายังให้เหตุผลไม่ถูกต้องเพราะว่าถึงแม้ป่าไม่ใช่ของเรานะถึงแม้วัดไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าป่านี้ก็มีคุณนะมีบุญคุณกับเรานะก็ควรเป็นหน้าที่นะที่เราจะช่วยปกป้องรักษาป่ารักษาสมุนไพรเอาไวนะ้หรือว่า ทำไปเพื่อเห็นประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าเออถ้าป่ามันมีความอุดมสมบูรณ์นะก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาได้สัมผัสกับความสงบสงดัดส่วนชาวบ้านนะก็ได้ประโยชน์จากป่านะอาจจะมีหน่อมไม้มีเห็ดขึ้นหรือว่ามันทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลถ้ามีป่าสมบูรณ์นะ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 ร่างกายเรานี่ก็เหมือนกันนะรวมทั้งของหรือสิ่งต่างๆที่เราได้มาหรือว่าดูแลนะอย่างพวกเรานี่ก็ถือว่ามาดูแรลรักษาวัดรักษาป่าให้มันดีเราก็ต้องทำหน้าที่นะอันนี้เรียกว่าทำกิจนะทากิจแต่ขณะเดีวยวกันเราก็ทกําจิตไปด้วยก็คือว่าในขณะที่เราทํำเราก็ฝึกสติไป ทำด้วยสติแล้วก็ทำด้วยใจที่ปล่อยวางนะบางคนอาจจะจะทำใจปล่อยวางว่ามันไม่ใช่ของเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าเราสามารถที่จะปล่อยวางในระดับอื่นได้อาจจะปล่อยวางตัวกูของกูไม่ได้นะแต่ว่า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 อันนี้มันก็จะเกิดความเสียหายสมัยที่หลวงพ่อชาท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสมัยนั้นรักาปี40ปีนีรัหนองประพง์กุติก็ยังไม่ค่อยเข้มแข็งแน่นหนากุติพระนะก็หลังคานี่ก็มุงด้วยยา้าคายาแฝกนะมีคราวหนึ่งก็เกิดพายุฝนนะกุติหลังนึงก็โดนพายุพัด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 ไม่วิตกกังวลไม่บน่นไม่ตีโพยตีพายว่าทาไมต้องเป็นชั้นนะแต่ว่าก็ต้องรักษานะอันนี้เรียกว่าทำกิจแล้วก็ทำจิตไปด้วยถ้าเรารู้จักทำสองอย่างไปคู่กันเนี่ยนะเราจะพบว่าการทางานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะจะทำให้เครียดน้อยลงลอาคนส่วนใหญ่ทำงานนะทำกิจแต่ว่า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 ไม่สีเลือดก็เพราะว่าวางใจถูกนะใจอยู่กับปัจจุบันมีฝรั่งคนหนึ่งแกเป็นนักปีนเขานะแกปีนเขาพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดมาทุกทวีปแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยแกสรุปประสบการณ์การปีนเขามาหลายสิบปีว่าเนี่ยทุกอย่างมักน่ากลัวกับความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลภูเขานีนสมัยที่ไกลโอ้โหดูมันน่ากลัวมาก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 แต่ขณะเดียวกันจิตเนี่ยมันก็วางนะวางจุดหมายเอาไว้ก่อนจุดหมายมันอยู่แกลแค่ไหนก็วางเอาไว้ก่อนมาสนใจพื้นในใต้ฝ่าเท้าคือสนใจปัจจุบันเวลาทํางานใจแล้วก็อยู่กับปัจจุบันนะส่วนความเพียรก็ทําเต็มที่นะอันนี้เรียกว่าทําทั้งกิตและทําทั้งจิตนะมันก็จะออกมาเป็นประเภทว่าทําเต็มที่นะแต่ว่าไม่ซีเรียสนะ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 หมาวามว่าท่านก็ยังมีความสุขท่านก็มีความสบายใจไม่ได้กลัดกลุ้มใจอะไรอันนี้พราะอะไรเพราะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นไม่ได้ยึดว่านในงานหรือผลของงานว่าเป็นกูเป็นของกูนะเอาคนส่วนใหญ่นี่ยนะเวลาทํางานนี่ก็ยึดว่าเป็นกูเป็นของกูผลงานออกมาก็กูของกูพอออกมาไม่ดีก็หมายว่ากูนี่ไม่ดีกูนีมม่แยนะ่เราต้องแยกกันนะ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 ตอนเทตมาดีเรื่องรางแกเนี่ยประมาณเดือนกุมภาห้าสองมันเป็นข่าวเพราะว่าแกสอบมาแล้วเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดิบห้าครั้งนะไม่ใช่แค่สอบสามครั้งยี่บครั้งหรือร้อยครั้งนะแกสอบแล้วเจ็ด้อยเ็ดบห้าครั้งสอบไม่ได้มันน่าคิดนะว่าเออมันมีคนอย่างนี้เลยหรือนะในเมืองไทยเนี่ยนะมันถ้าสอบสามครั้งยังไม่สุดก็สอบสามครั้งสอบไม่ได้ก็ใช้วิธีอื่นแล้วนะ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 แกมีเต็มที่เลยแต่ทำไมนะแกถึงยังไม่มีความท้อสอบได้สอบแล้วสอบอีกถึงขนาดนี้ก็เชื่อว่าแกต้องมีการปล่อยวางในระดับหนึ่งนะคือไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไมายไม่ได้ไม่เป็นไรคนที่ทำด้วยความยึดมั่นถือมันเนี่ยถ้าไม่ได้แค่ห้าครั้งทำห้าครั้งไม่ได้นี่ก็ผิดหวังท้อแท้เลิกแล้วแต่ถ้าหากว่าจะทาได้เป็นร้อยๆครั้งแบบนี้มันต้องมีการปล่อยวาง ในระดับที่น่านับถือทีเดียวมาได้คลาวทีประมาณพฤศจิกานะแกสอบได้แล้วหลังจากที่สอบไปแล้วก็1้อยห้าสิบครั้งนะนี่ขนาดใบขับขี่นะแกเรียกว่าเพียรพยายามมากถ้ามองไปเพืนอนก็มองก็มองแกเนี่ยยึดมั่นถือมั่นมากนะยึดมั่นถือมั่นมากนะต้องขนาดที่เรียกว่าต้องต้องสอบเนี่ยเป็นสามสี่ปีนะ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 เวลาเราปฏิบัติทำเนี่ยนะลองทําใจแบบนี้บ้างนะออได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่จริงหลวงพ่อเทียนเขาสอนแบบนี้นะทําเล่นๆแต่ทําจริงๆนะทําเล่นๆคือว่าใจปล่อยวางนะมันหลงบ้างมันลู้บ้างไม่เป็นไรนะมันฟุ้งซ่านบ้างก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเวลาเราทําอะไรทําเล่นฟุตบอลนะถ้าเราเล่นแบบเล่นๆนะ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 อาบน้ำถูฟันนะเดินบินธบาดผมพา้าพวกนี้เนี่ยเจริญสติได้ทั้งนั้นรวมทั้งเวลากินข้าวเด้อหรือแม้แต่เวลาพูดคุยกันทำเล่นๆแต่ทำจริงๆนะทำเล่นๆก็คือรู้จักปล่อยวางนะหลวงพ่อคำคียนบอกว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างคือไม่เป็นไรหมดนะแต่ว่าทาไม่หยุดนะทาไม่เลิกนะ อันนี้เรียกว่าทำกิจ ด, ด้วยแลว้วกาทำจิต ด, ด้วยนะแล้วถ้าเราเอาไปใช้กับงานเนี้ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทำเต็มที่นะแต่ว่าใจไม่เครียดใจไม่สี่เรียรนะก็ทำให้ทำได้นานงานก็ได้ผลนะคนก็เป็นสุขด้วยเอาละช้อนนี้ก็เพิ่งเท่านี้นะเอากลับครับ